เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทหรคนชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านนะครับในหมวดของนิทานสอนใจนิทานที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องครับกับครอบครัวมาลองฟังกันดูนะครับนานมาแล้ว ยังมีเด็กจญิงและเด็กชายตัวเล็กๆสองคนอาศัยอยู่กับพ่อที่เป็นชายตัดฟืนซึ่งมีนิสัยชอบดื่มเหล้าเมายาอยู่เสมอต่อมาเมื่อผู้เป็นพ่อมีภรรยาใหม่เด็กสองคนก็มักจะถูกใช้ให้ทำงานอย่างหนักด้วยเพราะแม่เลี้ยงนั้นนอกจากจะไม่รักใครเด็กๆแล้วก็ยังนังเกียรตลูกติดของสามีเป็นอันมากอีกด้วยแม่เลี้ยงมักจะดุดาทุบตีลูกเลี้ยงตัวน้อยๆ อ, อยู่เสมอๆแถนยังใชใ้ทำงานบ้านทุกอย่าง แต่เมื่อถึงเวลาอาหารก็กลับให้เด็กๆ ก, กินเพียงเศษน้ำแกงที่เหลือจากนางเท่านั้นเมื่อเด็กๆจะเข้าไปบอกกล่าวผู้เป็นพ่อก็มีแต่จะถูกดุด่าซ้ำเติมอีกเพราะผู้เป็นพ่อนั้นไม่สนใจลูกๆเขาตามใจแม่เลี้ยงมากทุกอย่างประเภทว่าหลงเมียนี่ยวันหนึ่งผู้เป็นแม่เลี้ยงได้เอ่ยกับสามีว่านี่นะคุณพี่เราไม่ควรจะมาเลี้ยงเด็กสองคนนี้ให้เปลืองเงินเปลืองทองกันเลยนะเปลืองข้าวเปล่า ไล่พวกมันไปเถอะพวกมันยังเป็นเด็กเล็กๆอิ่านี้นะอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรพวกเรามากแถมยังหาเงินก็ไม่ได้พี่มีความเห็นว่ายังไงอ่ะพ่อของเด็กๆผู้เชื่อภรรยาใหม่จึงได้หลอกลูกน้อยทั้งสองคนเข้าไปในป่านี่เนี่ยลูกๆเอ๋ยลูกจงรอพ่ออยู่นี่นะถ้าพ่อไปกลับมารับก็ไม่ต้องไปไหนหรือเดี๋ยวจะหลงป่าจงรอพ่ออยู่ที่นี่นะว่าแล้วผู้เป็นพ่อก็ออกจากป่าไป ทิงให้เด็กน้อยตัวเล็กๆทั้งสองคนอยู่กลางป่ากลางดงเพียงลําพังสองพี่น้องรอผู้เป็นพ่อมารับตั้งแต่เช้าจรวดขําเมื่อฟ้าเริ่มมืดแล้วผู้เป็นพ่อก็ยังไม่มาผู้เป็นน้องเริ่มร้องไห้ผู้เป็นพี่ก็ได้แต่ปลอบและกอดน้องไว้จนในที่สุดทั้งสองคนก็หลับไหลไปด้วยความหิวโหวยและอ่อนเพลียเช้าวันดุ้งขึ้นตะวันส่งแสงสว่างและอบอุ่นผู้เป็นพี่ก็เอ่ยกับน้องว่าน้องเอ๋ย พี่คิดว่าพ่ออาจจะทิ้งพวกเราไปแล้วก็ได้นะพี่เคยได้ยินพ่อพูดอยู่บ่อยๆกับแม่เลี้ยงว่าไม่อยากจะเลี้ยงเราทั้งสองคนอีกต่อไปเรื่องข้าวสุกเ ป, ปล่าถ้างั้นพวกเราจะทัำยังไงกันดีจ้าพี่น้องถามพลางสะอื้นด้วยความเสียใจและคิดถึงพ่อผู้เป็นพี่จึงเอ่ยขึ้นว่าเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่กันแหละอาจจะต้องไปอาศัยอยู่กับชาวไร่าชาวนาและช่วยเขาทำนาตอบแทนค่าที่อยู่และอาหารพี่คิดว่า มันน่าจะมีคนที่ใจดีพอจะรับอุปการะเราได้บ้างนะแต่ตอนเนี้น้องจะรอพี่อยู่ที่นี่ก่อนนะพี่จะลองเดินไปหาดูว่าแถวเนี้ยมีผักผลไม้อะไรมาให้พวกเรากินกันได้บ้างหิวไหมล่ะน้องก็บอกได้จ้าได้จ้าหนูก็หิวเหลือเกินว่าแล้วผู้เป็นพี่ก็เดินเข้าไปในกลางป่าพยายามจะเงนหน้าดูผลไม้ต่างๆบนต้นไม้แต่ทว่าก็ไม่พบอะไรเลยเดินไปได้อีกสักพักเด็กน้อยก็เห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง จึงปีนขึ้นไปดูด้วยหวังว่าจะมีผลไม้สุกๆหวานๆอยู่ตามกิ่งก้านที่สูงๆอยู่บ้างมาปีนขึ้นไปถึงบนกิ่งไม้แรกเด็กน้อยผู้พี่ก็เห็นไข่ขนาดใหญ่สี่ฟองคาอยู่ที่คาคบไม้เด็กน้อยผู้พี่รู้สึกดีใจนักจึงถอดเสื้อออกแล้วก็รีบหยิบไข่ใส่ไว้ตรงเสื้อจากนั้นก็รีบปีนลงมาจากต้นไม้ทันทีเด็กน้อยรีบหาเศษกิ่งไม้แห้งๆกับผินชนวนมาก่อไฟจากนั้นก็ปิ้งไข่หน้าตาประหลาดทั้ง4ฟองนั้นจนสุก คิดในใจว่าแบ่งไข่กินเก็บน้องคุณละสองฟองคงจะอิ่มไปได้นานจนถึงเย็นเลยแหะดีจังเลยเด็กน้อยคิดในใจแต่ครั้นไม่ได้กลิ่นหอมหวนของไข่ปิ้งเด็กน้อยผู้พี่ก็เริ่มแกะไข่ฟองหนึ่งกินก่อนก็รู้สึกอร่อยมากมันเป็นไข่ที่อร่อยมากจริงๆและเมื่อกินไข่หมดไปฟองหนึ่งเด็กน้อยทนความอยากไม่ไหวจึงแกะไข่กินอีกฟองหนึ่งตอนนั้นไข่ก็เหลือเพียงแค่สองฟองระหว่างที่กินไข่ฟองที่สอง เด็กน้อยกู้พี่ก็คิดอีกว่าให้น้องฟองหนึ่งให้เราฟองหนึ่งก็แล้วกันเมื่อกินอิ่มไปสองฟองเด็กน้อยก็เริ่มเดินทางกลับไปหาน้องแต่ระหว่างทางก็นึกอยากมองไปเอามือลูบไข่ไว้ลูบไข่ไว้ที่อยู่ในเสื้อทนไม่ไหวก็เลยแกะไข่กินอีกหนึ่งฟองสรุปแล้วก็เหลือไข่เพียงฟองเดียวก็คิดในใจอีกว่าอ่ะเอาเป็นว่าให้น้องกินครึ่งหนึ่งให้เรากินครึ่งหนึ่งก็แล้วกันและเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆ ยังไม่ทันที่จะถึงที่น้องคอยอยู่ผู้พี่ก็แกะไข่ฟองสุดท้ายกินจนหมดด้วยความอยากแบบไม่สามารถจะสะกดอารมณ์ได้แล้วทันใดนั้นเองร่างกายของเด็กน้อยผู้พี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นร่างงูตัวใหญ่ในบันดนนฝายน้องคนเล็กเมื่อรอพี่อยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นพี่กลับมาจึงออกเดินตามหาบัา้มแต่เมื่อเดินออกมาก็มาพบกับงูตัวใหญ่ตัวนึงซึ่งเลือ้อยสวนทางมาพอดีเด็กน้อยตกใจมากร้องไห้ก็นั่งซุดลง ขาเขือแข็งไปหมดด้วยความกลัวน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยได้พี่เองจ้ะนี่พี่เองจะ้งจะแต่เมื่อได้ยินเสียงของพี่ก็คลายความกลัวจึงตรงกึ้นไปหางูตัวนั้นแล้วก็ถามว่าทําไมทําไมทําไมทําไมพี่กลายเป็นงูบอกหน่อยบอกหน่อยผู้เป็นพี่ก็เล่าความจริงให้น้องฟังทั้งหมดว่ามันน่าจะเกิดกับความโลภของพี่และความตะกะที่กินไข่ทั้งหมดเสียทั้งสี่ฟองและไข่นั้นคงจะเป็นไข่ของงูที่มีเวทมนตร์นั่นแหละ และเจ้งูตัวนั้นก็คงสาบไว้ว่าถ้าใครขโมยไข่กินต้องกลายเป็นงูไปด้วยแน่แนพี่ชายที่เป็นงูก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจเด็กน้อยได้แต่นั่งกอดงูพี่ชายไว้แล้วก็ชวนกันเดินทางต่อไปค่ำวันนั้นเด็กน้อยและงูผู้พี่ก็เดินทางไปพบกับกระท่อมหลังหนึ่งอยู่กลางป่ากระท่อมนั้นเป็นของตายายใจดีคู่หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ด้วยการตามลำพังไม่มีลูกไม่มีหลานเมื่อเด็กน้อยเล่าความทุกอย่างให้ตากับยายฟัง ตายายผู้ใจดีก็ยินยอมให้เด็กน้อยและงูผู้พี่อาศัยอยู่ด้วยกันตาไ ย, ายนั้นไม่มีอาชีพอะไรได้แต่เก็บผักหาฟืนมาทําอาหารกินบ้างหาสมุนไพรหาของป่าไปขายในเมืองบ้างในบางครั้งเมื่อเด็กน้อยและงูผู้พี่ได้อาศัยอยู่ด้วยทั้งสองต่างก็ช่วยตายายทํางานบ้านบ้างออกไปหาผลมะมลรากไม้หาปลาในหนองน้ํำในบึงมาให้ตาไ ย, ายบ้างเรียกว่าขยันขันแข็งช่วยทุกอย่าง ผู้เป็นพี่เป็นงูก็ช่วยเฝ้าบ้านได้ด้วยตอนกลางคืนวันเวลาผ่านไประยะหนึ่งเทวเวลาที่ได้สถิตยอยู่ในบริเวณป่า น, นั้นก็เกิดความสงสารจึงจำแรงแปลงร่างเป็นงูใหญ่มาออกไข่ไว้ที่บริเวณใกล้ๆกระท่อมของตายใหญ่ฝ่ายงูผู้พี่นั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อเห็นงูใหญ่มาออกไข่และกาลังจะเลื้อยคลานหนีไปจึงรีบเลื้อยไปหาและพูดว่าแม่งูจ้แม่งูจนั่นท่านจะไปไหน งูเทวดาแปลงร่างจึงเอ่ยปากพูดว่าฉันจอกไปหาอาหารกินงูผู้พี่จึงเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นฉันขออาสาเฝ้าไข่ให้นะจ๊ะหากปล่อยไข่ไว้เช่นนี้อาจจะมีพรานป่าหรือลูกของนายพรานมาขโมยไข่ไปก็ได้นะจ๊ะแมงงูได้ฟังเช่นนั้นก็บอกว่าขอบใจเจ้ามากเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาขอฝากไข่ใบนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าด้วยนะและงูผู้พี่ก็รับปากเมื่ ง, งูเทวดาได้เลื้อยออกไปแล้ว งูผู้พี่ก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดมองดูไข่งูที่ตัวเองจะต้องเฝ้าและรักษาไว้ทําให้หวนนึกว่าที่เราต้องเป็นงูแบบทุกวันนี้ก็เพราะความตะกะที่ตอนนั้นเราไม่กินไข่ของงูเขาและโดยที่เราละโมบโลภคนเดียวไม่แบ่งน้องเราด้วยเวทกรรมเหลือเกินสมแล้วที่เราโดนสาให้เป็นงูอย่างนี้ระหว่างที่คิดอยู่นั้นแม่งูเทวดาก็ได้เลื้อยกลับมาแล้วก็กลับกลายร่างเป็นเทวดาและกล่าวกับงูว่า เจ้าเด็กน้อยเอ๋ยเจ้าเป็นคนมีจิตใจดีนะแม้ว่าเจ้าจะผิดพลาดเรื่องจะกะจนกินอาหารจนหมดลืมคิดถึงน้องแต่เจ้าก็ได้รับโทษจากความผิดพลาดไปแล้วขอให้เจ้าจงกินไข่ฟองนี้เถอะงูผู้พี่ก็ทําตามที่เทวดาบอกแล้วเมื่อกินไข่ฟองนั้นแล้วงูผู้พี่ก็กลายร่างเป็นเด็กน้อยน่ารักเหมือนเดิมรู้สึกดีใจมากรีบวิ่งกลับไปหาน้องกับตายายที่อยู่ในบ้าน ตาและยายกับน้องก็รู้สึกดีใจมากกอดกันกลมเกลียวน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติจากนั้นผู้พี่จึงออกไปตรงหน้าบ้านแล้วก็ยกมือพนมขึ้นไหว้แล้วก็ตะโกนบอกว่าขอบพระคุณมากขอรับขอบพระคุณมากขอรับท่านเทวดาผู้ใจดีผมจะจดจำไปอีกนานเลยครับเรื่องความละโมบและความเห็นแก่ตัวหลังจากนั้นสองพี่น้องก็รักใคร่ปลองดองกันไม่ว่าจะได้สิ่งของใดก็นามาแบ่งปันกันเสมอ เด็กทั้งสองอยู่กับตายายอย่างมีความสุขเรื่อยมาจนกระทั่งเจริญเติบโตฝ่ายพ่อของเด็กทั้งสองนั้นหลังจากทิ้งลูกๆไปได้ไม่นานก็เกิดความเศร้าเสียใจเพราะว่ากระโดนภรรยาของตัวเองทิ้งไปอีกเช่นกันและก็หวนคิดถึงลูกจึงได้เดินทางเข้าไปในป่าโดยหวังว่าจะได้พบหน้าลูกแต่ก็ไม่เจอและระหว่างทางที่เดินกลับออกมาจากป่าก็บังเอิญไปถูกงูพิษกัดเข้าอีกจึงทําให้เสียชีวิตลงที่กลางป่านั่นเอง นิทานเรื่องนี้ก็มีคติสอนใจแบบเดิมครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคิดดีก็จะได้ดีคิดชั่วก็จะได้แต่สิ่งที่ชั่วมันเป็นกฎที่ตายตัวครับขึ้นอยู่กับเวลาและผลของกรรมเท่านั้นที่มันจะตามมาถึงเมื่อไรขอให้มีความสุขกับการได้รับฟังนิทานนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ